พรอมาย่างออวันนี้วันนี้เป็นวันที่13วันที่13กุมภาพันพุทธศักราช2554หลวงตาของพวกเราได้ละสังขารเมื่อวันที่30ออมกรา2554เวลาตี 3-53 <c oughs> นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ เ, ออเป็นเวลา15วันพอดีวันนี้ แล้วก็เมื่อวานวันที่สิบสองเป็นวันทาบุญปถาเข้าเปลือกตามประเพณีขององค์หลวงตาที่ท่านพาดำเนินมาแล้วก็ก่อนที่ท่านจะละสังขารคณะสิทิยานุสิทธิก็ได้กราบเรียนท่านว่าจะทำบุญปทาเข้าเปลือกวันที่สิบสองท่านรับทราบท่านรับทราบแล้วพวกเราจึงได้ดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อวานนี้ ก็พี่น้องศรัทธาญาติโยมรู้สึกว่าแน่นอุ่นน้ำฟ้าขั้งมากแล้วก็ตอนเช้ามื่อนี้วันที่สิบาหลวงตาก็โปรยน้ํามนลงมาให้พวกเราเย็นฉ่าไปหมดเลยเออและก็คงจะไม่มากกว่านี้มัง้งคงจะหยุดหยุดไปละนะเออและกับงานของพวกเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมนไม่ว่าจะเป็น เรื่องดูแลป่องน้ําห่องท่าตอนรับขับสู้ก่อนเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะคณะชาติญาญาติโยมลูกหลานทุกคนทุกหน่วยงานก็รู้สึกว่าคำมักคำแม่นส่วนพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ลูกหลานดีที่สุดในคราวนี้ในครั้งนี้และก็ตอนบ่ายวันนี้ก็ทราบว่าสมเด็จพระวรรณธน์วัดบวรนิเวศวิหารจะมา จะมาที่วัดมากราบองหลงตาของพวกเราและก็สมเดจมหามุนีวงมาจากวัดราชส บ, บพิษจะมาด้วยกันทั้งสองพระองค์จะมากราบคารวะพลั้นคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานผู้ที่จะมากราบคารวะพระมหาเถระจากมากรุงเทพมหานครคก็คอยได้นะตอนบ่ายโมงวันนี้และกระทุนกระหม่อมหญิงทั้งก็คงจะมาร่วมทําวัดเย็นกับพวกเราอีกในเย็นวันนี้อีกเหมือนกัน เาะนั้นขอให้คณะราษฎรญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่ามาคอยต้อนรับพระองค์ท่านด้วยนะแล้วก็งานของพวกเราก็เป็นไปด้วยดีงานทุกอย่างที่หลวงพ่อช่วยช่วยดูกับพระสงฆ์และคณะราษฎรญาติโยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรของเราก็เข้มแข็งหัวหน้าส่วนราชการของพวกเราทุกหน่วยเหล่าก็รู้สึกว่าช่วยองค์หลวงตายอย่างสุดซึ้ง สมกับองคหลวงตาเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์โลกจริงๆหลวงตาเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์โลกหลวงตาไม่เก็บไว้ในก ร, ร ม, มือของหลวงตาเลยมีแต่ให้มีแต่สงเคราะห์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นขนาดหายใจเฮือกสุดท้ายของหลวงตาหลวงตายังเขียนพินัยกรรมไว้เกว่า เ, เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนมาทำบุญในงานศพของเราใหเ้เอาไปซื้อทองคาเข้าคลังหลวงทั้งหมด อันนี้จะหาได้ที่ไหนเนี่ยพวกเราคิดดูสิปูกย่าตายายวงศาคาาติพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านได้บอกได้สั่งไว้ไหมอย่างนี้ที่จะช่วยสงเคราะห์โลกถึงขนาดนี้และต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นยังไงจะเห็นอีกหรือไม่เนี่ยขนาดหลวงพ่ออายุ66ปีปีนี้หลวงพ่อก็ไม่เคยได้ยินนไมาเห็นองค์หลวงตาของพวกเราเนี่แหละเป็นผู้เสียสละจริงๆ เพราะนั้นพระราชการทุกหน่วยทุกเหลา่าลูกหลานทุกคนที่มาในวัดของหลวงตานี่ควรจะเสียสละนะมีน้ําใจมีเมตตาต่อกันคําว่าทะเลาะพิวาทกันโกรธโมโหโกทาให้แก่กันไม่ควรจะมีในวัดหลวงตานะถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามใช้อารมณ์โมโหโกทาต่อกันอันนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตานะหลวงตานี่ต้องให้มีเมตตาต้องมีน้ําใจต้องมีเหตุผล ต้องมีเหตุผลการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้อารมณ์ต่อกันไม่ได้นะขอบอกฝากไว้กับลูกขับหลานกับญาติกับโยมทุกๆคู่ทุกคนพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงราดญาติโยมพี่น้องลูกหลานเพราะอยู่หลายคนขนาดอยู่สองคนก็ยังบางทีก็ยังมองกันได้ตาเขียวเขียวใสกันอยู่เหมนกันแต่นี้มาเป็นร้อยเป็นมันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะต้องมีมันจะต้องมี แต่ที่ยังไงก็ต่างคนก็ต่างได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้เคารพศิษย์ชื่นกันและกันรักกันเอาไว้พี่น้องกันพวกเราได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาพวกเราก็คงเคยได้สั่งสมบา ร, รมีมาด้วยกันอย่างคราวนี้แหละหลวงตาเชิญ ช, ชวนชักชวนอะไรพวกเราก็เห็นด้วยกับหลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้เป็นมาเคารพรักฟังธรรมเทศนาหรือว่าเชื่อในโอวาทขององคหลวงตา มีครูบาอาจารย์องค์อื่นๆมีต่างเยอะแยะในประเทศไทยแต่พวกเราก็มาสยบมายอมรับในองค์หลวงตาก็แสดงว่าพวกเราได้สั่งสมบุญบบารมีมากระองคหลวงตาเพราะนั้นหลวงตาพูดยังไงพวกเราให้เชื่อให้ฟังเน้อลูกหลานเนอแล้วก็พร้อมกันเนี่ทําไมหลวงพ่อสุดใจจึงไม่ค่อยได้ออกมาอันนี้ก็พวกลูกหลานทั้งหลายอย่าพิจกกังวลพ่อหลวงพ่อสุดใจที่นั่งทางซ้ายของหลวงพ่อเนี่ย ท่านไม่สบายก่อนที่ลงตาเราป่วยท่านก็ได้เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันอาการก็ล่อแลเหมือนกันในในช่วงนั้นแต่ขณะนี้ท่านก็ยังไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจุลาปิดบางครั้งคนนั้นท่าวันหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังลูกหลานฟังโอ้ยทำไมหลวงพ่อสุดใจที่รักษาการเจ้าอาวาสทำไมไม่เห็นออกมาต่อสาธารณชนจำไทยหายเงียบไปไหน ท่านไม่สบายนะบอกให้เลยว่าท่านไม่สบายในเมื่อท่านไม่สบายกับพี่พน้องๆก็ต้องช่วยกันนะทีอย่างหลงพ่อเนี่ยพอที่จะช่วยเหลือจุดไหนได้หลงพ่อก็เข้ามาช่วยช่วยกันพี่พี่น้องๆ้องตัวไหนหนักก็ช่วยกันตัวไหนเบาก็เออเอาก็ผ่านผ่านไปเพราะฉนั้นขอให้คณะสั ท, ทา ย, ยาติโยมทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่านะทั้งฝ่ายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตาทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วย ถ้าผู้ใดก็ตามเห็นว่าจุดไหนขาดตกบกพร่องให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันคิดให้ช่วยกันพูดให้ช่วยกันทำในจุดนั้นแต่สิ่งที่มันไม่ดีแล้วอย่าทำ อ, อย่าทำอย่าคิดอย่าพูดในเรื่องนั้น อ, อันนี้ขอขอย้ำกล่าวให้แก่พี่น้องประชาชนลูกหลานทุกๆคนนะ